แล้วก็ผ่อนลมหายใจออกมาเยาๆสักสองสามเที่ยวอย่าไปบังคับลมหายใจหายใจเยาะยาวให้เป็นธรรมชาติหายใจออกเยาๆความคิดต่างๆก็จะสงบระงับลงไปสัมผัสของลมหายใจที่กระทบปลายจมูกของเรานั่นแหละที่ท่านเรียวสติรู้กายเราพยายาม สร้างความรู้สึกรับรู้ให้โตเนื่องตั้งแต่ตื่นขึ้นฝึกให้เกิดความเคยชินช่วงใหม่ๆการฝึกการเจริญสติบางทีบางครั้งบางข่าวก็อืดอัดบางทีบางครั้งบางข่าวก็พลังเผลิเราพยายามเริ่มบ่อยๆทำความเข้าใจบ่อยๆความรู้ตัวพลังเผลิเริ่มใหม่ความรู้ตัวพลังเพลิเริ่มให ม, ม, ม, ใหม่ให้เกิดความเคยชิน สติก็จะตั้งมั่นลงที่กายของเราตั้งแต่ตื่นขึ้นตั้งแต่ยังไม่ลุกจากที่จะลุกจะก้าวจะเดินมีสติรู้กายสติรู้ใจการเกิดของใจการปรุงแต่งของใจอาการของใจเวลาเขาจะเกิดถ้าเรามีความรู้ตัวอยู่ขณะปัจจุบันเราก็จะเห็นเห็นการเกิดของใจเห็นการเกิดของอาการห้องขันห้าซึ่งมีอยู่ในกายของเรามีอยู่ห้ากองห้าขัน แต่เราต้องจเจริญสติตัวใหม่เข้าไปวิเคราะห์เข้าไปอบรมเข้าไปหมั่นพรำสอนใจของตัวเราการเกิดใจเกิดส่งไปภายนอกเราก็จะรู้เท่ารู้ทันรู้จักดับรู้จักหยุดความคิดผุดขึ้นมาปรุงแต่งใจความคิดที่เราไม่ตั้งใจคิดนั่นแหละมีกันทุกคน บางคนก็มีมากบางคนก็มีน้อยเพราะว่าธรรมชาติของสมมติธรรมชาติของโลกียะใจเกิดมาตั้งนานใจหลงมาตั้งนานตั้งแต่การเกิดถ้าไม่หลงก็ไม่เกิดใจหลงมาสร้างขันห้ามาสร้างพบมนุษย์ เ, เรีย ว, วพบมนุษย์มาหลงมายึดแล้วก็เกิดต่อเกิดต่ อ, อยังไม่พอ ยังมีทิฏฐิมานะ เ, เป็นธาตของกิเลสอีกกิเลสก็มีหลายชั้นกิเลสหยากิเลสละเอียดถ้าเราเจริญสติลงที่กายของเราให้ต่อเนื่องจนใจคลายออกจากขันห้าได้เขาเรียกว่าแยกกรเบแยกนามหรือว่างายจากของที่ควา่าใจก็จะเบากายก็จะเบาใจก็จะโลง่ง เราก็ทําความเข้าใจเห็นการเกิดการดับก็เรียกว่าเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาความไม่เที่ยงของความของอาการของขันห้าเป็นแค่เพียงอาการเป็นแค่เพียงมายาไม่มีตัวไม่มีตนแต่พวกเราไปยึดไปมั่นไปหมายว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นตัวเป็นตนในทางสมมุติกายของเราเราก็เป็นตัวเป็นกายของเราอนโน่นอันนี้ก็ของเราอันนั้นไปในทางสมมุติ ถ้าใจคลายจากขันห้าได้ใจปล่อยวางได้ไม่มีอะไรแม้แต่ตัวใจก็อยู่ในความว่างความบริสุทธิ์มีในทางสมมุติก็มีเพื่ออิงอาศัยอยู่จนกว่าจะหมดลมหายใจเราพยายามปรับปรุงสภาพจิตใจของเราแก้ไขจิตใจของเราการเกิดเป็นทุกข์การเป็นธาตุของกิเลสก็เป็นทุกข์ แต่เราววนความรับผิดชอบความเสียสละความขยันหมั่นเพียรความอ่อนน้อมถ่อมตนเราพยายามมันอบรมใจของเราตลอดเวลากายของเราทาหน้าที่อย่างนี้ตาก็ทำหน้าที่ดูหูก็ทำหน้าที่ฟังเป็นทางผ่านส่งเข้าไปถึงใจของตัวเราทีนี้เราใจของเราจะเกิดความบินดียินร้ายหรือว่าเกิดกิเลสเราก็รู้จักดับ จะเอาจะมีจะเป็นก็เป็นเรื่องของปัญญาเขาไปทำหน้าที่แทนแต่เราต้องคลายภายในของเราให้ได้มันพัฒน์สอนใจของเราให้ได้ถอนรากถอนโคนตั้งแต่การเกิดการเกิดเดี๋ยวนี้ใจเขาเกิดมาสร้างพบมนุษย์แล้วก็มาสร้างจริงต่างๆยึดมั่นหมายไปทับผมดวงใจของตัวเราแม้แต่กิเลสต่างๆในหลักธรรมแล้วท่านก็ให้ละหมดนั่นแหละให้ละหมด สร้างคุณงามความดีไม่หลงไม่ยึดจูเหนือเหนือบุญเนื้อบาปบุญกับบาปก็มีค่าเท่ากัน ท, ทําไมถึงว่ามีค่าเท่ากันเพราะมีการเกิดบุญนี้ไปนในทางที่มีความสุขบาปนี้ไปนในทางที่มีความทุกข์ความทุกข์ความสุขมันก็เกิดอยู่ท่านถึงให้ดับให้วางให้หมดแล้วก็สร้างบุญไม่ยึดติดในบุญ ยิ่งอย่างประโยชน์ประโยชน์ตนประโยชน์ท่านประโยชน์ในโลกนี้ประโยชน์ในโลกหน้าประโยชน์อปัจจุบันมองให้ชัดเจนมองด้วยปัญญาคําว่าปัญญาคือความรู้ตัวนี่แหละเราสร้างขึ้นมาเรโอสติรู้ตัวอยู่ปัจจุบันจนเห็นเห็นใจคลายออกจากขันห้าเห็นการเกิดการดับของขันห้าเห็นกิเลสที่ใจขัดเกลอกิเลสที่ใจออกจากใจของเรา จนไม่เหมือไม่มีเหลืออะไรที่ใจเหลือแต่แต่ความบริสุทธิ์ใจไม่เกิดก็วางใจอีกให้เป็นธรรมชาติอีกเหลือั้งแต่ปัญญาเอาไปใช้กับสมมติที่ท่านเรียกว่ารอบรู้ในกองทั้งขานรอบรู้ในดวงวิญญาณในขันห้ารอบรู้ในปัจเจสีรอบรู้ในโลกธรรมยังประโยชน์สมมุติให้เกิดประโยชน์ให้เต็มเปี่ยม ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนตั้งแต่ตื่นขึ้นมาเราก็จะอยู่กับบุญตัวใจนะั้นตัวบุญกายของเราก็จะเป็นข้อนบุญเราพยายามเอาอะไรที่จะนำความสุขนำประโยชน์มาให้ บุญมากบุญน้อยเราก็พยายามทําให้มีให้เกิดขึ้นที่ใจของเราใจของเรามีความแข็งกร้าวแข็งกระด้างมีทิฏฐิมานะเราก็พยายามค่อยลดค่อยละค่อยอบรมให้ใจของเราอยู่ในความอ่อนโยนให้ใจของเราอยู่ในความอ่อนน้อมใจเป็นธาตรู้แต่เวลานี้เขาทั้งรู้ทั้งหลงทั้งเกิด เราต้องพยายามจเจริญสติตัวใหม่ให้มีให้เกิดขึ้นเอาไปใช้การใช้งานได้สติท่านถึงว่าเป็นผู้รู้ใจเป็นธาตุรู้ผู้รู้ไปอบรมใจของเราจนกว่าใจของเราจะคลายจากขั้นห้ามองเห็นตามความเป็นจริง เขาถึงจะปล่อยจะวางได้ถึงปล่อยวางไม่ได้ก็ขอให้อยู่ในคุณงามความดีมันน้อมจิตน้อมใจของเราอยู่ในกองบุญกองกุศลเอาไว้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนโอกาสเปิดการเวลาเปิดสถานที่เปิดก็พยายามทําที่วัดเราก็มีการสร้างอานิสงส์ใหญ่กันหลายอย่ามหาเจดีย์ใหญ่ในทางสมมุติ ก็เพื่อที่จะอัญเชิญพระบระมสารีริกธาตุจากส่วนที่ท่านเสด็จมามาประดิทฐานเอาไวา้เดี๋ยวนี้ก็ได้ขึ้นมาได้เยอะเพิ่งจะโผล่พนดินมานิดนึงขึ้นเสาขึ้นคลานอีกไม่นานก็คงจะได้ขึ้นชั้นที่สองกันก็ขอเชิญพี่น้องเราใครอยากจะมาร่วมมาช่วยกันสร้างมหาเจดีย์ก็มาบอกกล่าวทั้งเหรามนุษย์ ทั้งเราเทวดาทั้งหลายมีโอกาสเราก็ได้มาสร้างมาทำส่วนที่ปักธงชัยอโน้นก็จะสร้างมหาเจดีย์ใหญ่เหมือนกันตอนนี้กำลังปรับพื้นที่ปรับพื้นที่ขุดบ่อเทถนนขุดบ่อทำถนนไปถมที่ที่จะสร้างมหาเจดีย์แต่ที่โน้นจะเป็นองค์ใหญ่ใหญ่กว่าที่นี่สองเท่า ประมาณห้าร้อยกัวไร่จะได้ทำให้เป็นดงดอกไม้เดี๋ยวนี้ก็ปลูกต้นชมพูพันทิพต์ต้นนางพญาเสือโครงหลายพันต้นทั้งผลป้าเทวดาก็ตกลงมารดให้ดำเนินกันไปเรื่อยๆก็ว่าจะให้เป็นดงดอกไม้ในในตรงนั้นให้เป็นอณิสงใหญ่ของชาติบ้านเมือง ใครไปใครมาก็จะได้ชมบางคนบางท่านก็ซื้อต้นไม้มาถวายให้ต้นละแพงยุกต้นนางพญาเสือโคร่งนั้นก็ต้นละพันบาทต้นชมพูพันทิ์ต้นละสามร้อยต้นละห้าร้อยต้นละพันก็ปลูกไปได้หลายพันสามสี่พันต้นก็จะไล่ปลูกไปเรื่อยๆ กาว่าจะให้เป็นดงดอกไม้ให้เป็นจุดุนกลางของชาติบ้านเมืองส่วนการสร้างมหาเจดีย์ก็จะค่อยดำเนินไปเดี๋ยวนี้ก็ให้ทางหน่วยงานบิศวกรไปเจาะดินไปเจาะดินเพื่อที่จะเอาดินมาตรวจว่าจะได้วางรากฐานกันยังไงก็เจาะสำเร็จไปแล้ว แล้วก็หน่วยงานของทหารก็ไปช่วยกันเจาะน้ำบาดาลให้สี่ห้าบ่อเจาะบ่อแรกก็เจอน้ำอยู่บนเขาเ่าซะแล้วน้ำก็อุดมสมบูรณ์ต่อไปในวันข้างหน้าทั้งถนนหนทางหน่วยทหารต่างๆก็ไปเอาไปทำถนนให้จะเอาหินคุกหินอะไรไปบด ท, ทำถนนให้ ต่อไปในวันข้างหน้าก็จะได้เป็นแหล่งบุญใหญ่ไม่ว่าอยู่ที่ไหนโอกาสเปิดการเวลาเปิดสถานที่เปิดพวกเราก็ฝักพยายามน้อมใจไปช่วยน้อมกายน้อมใจบางคนบางท่านก็นำจตุปปัจจัยมาช่วยหลายสิ่งหลายอย่างบางคนบางท่านก็มาช่วยทางโรงศพที่ญาติโยมตายหรือวายชนแต่และ ว, วันแต่และ ว, วันก็มารับเอาโรงวันรับ สองบ้างสามบ้างสี่บ้างแต่ละวันนี้ไม่ค่อยจะขาดทั้งหมดก็สามไปกว่านี้ก็ญาติโยมดดมารับเอาลงศพไปประมาณแปดร้อยสิบกว่าลงอนุเคราะห์ให้ศพละห้าพันบาทแล้วก็ลงผ้าขาวผ้าไตรจีวรเป็นการช่วยเหลืออนุเคราะห์เกื้อกูลซึ่งกันและกัน อยากโยมท่านใดอยากจะมาทำบุญลงศพก็มาได้มาได้ตลอดเวลาส่วนวันที่สอง เ, อเดือนกรกฎาเลยอาทิตย์ที่สองกรกฎาคมก็ขอเชิญพี่น้องเรามาร่วมกันถาวายองค์พระพุทธรูปที่เราช่วยกันจัดสร้างที่โรงเรียนเพื่อที่จะปฏิบตรฐานเอาไว้ในโรงเรียนให้เป็นสิริมงคล ญาติโยมท่านในปรารถนาที่จะมาตั้งลงทานวันนั้นก็มาได้ใครจะมาร่วมทำบุญทอดผ้าป่าถวายเพื่อที่จะสร้างมหาเจดีย์ใหญ่วันนั้นก็จะเป็นบุญใหญ่ทั้งอัญเชิญพระพุทธ ร, รูปมาปฏิทฐานเอาไวา้แล้วก็ได้ทำผ้าป่าหลายหน่วยงานต่างๆก็มาร่วมกันมาร่วมกันส่วนวันที่สี่หรือที่ห้า ญาติโยมท่านได้ปรารถนาที่จะมาทำบุญกับทางโรงพยาบาลศรีนครินท่านได้จัดทำผ้าป่ารวบรวมทุนเพื่อที่จะ เ, เ, เป็นกองทุนไว้ดูแลคนป่วยเพื่อจะซื้ อ, อยาที่สำคัญต่างๆในตึกสงอาพานก็ขอเชิญมาร่วมกัน มาร่วมกันทําบุญได้ยินข่าวได้ทราบข่าวก็บอกกล่าวพี่น้องเราทุกคนไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนโอกาสเปิดการเวลาเปิดทําบุญมากบุญน้อยก็เป็นานิสงของเราฝากเอาไว้ในแผ่นดินฝากเอาไว้ให้เป็นสมบัติของส่วนกลางก็จะได้อยู่ดีมีความสุขไม่ลาบากไปไหนมาไหนก็ไม่ลบาบากตราบใดที่ใจยังเกิดอยู่ เราก็ให้อยู่ในกองบุญอาวาย้ยจนกว่าใจของเราจะหลุดพน้นจากความยึดมั่นถือมั่นจนกว่าเราจะขัดเก่ากิเลสออกจากใจของเราจนกว่าเราจะดับความเกิดได้ไม่ต้องกลับมาเกิดกันถึงดับความเกิดได้เราก็ยิ่งสนุกสร้างประโยชน์สร้างบุญสร้างอานิสงส์ให้มีให้เกิดขึ้นฝากอาว้ยในแผ่นดินพวกเราจากไปอานิสงส์กองบุญก็กองอาวา้ให้เป็นสิริมงคลของทุกคน วันนี้หลวงพ่อขอคอเจริญธรรมเป็นเท่านี้พากันไหว้พระพร้อมๆกันพากันไปสร้างฐานโตทำความเข้าใจกันเอา